ทักคินัยหรือทักคินัยยะแปลว่าผู้ควรแก่ทักสินามาจากคำว่าทักคินาซึ่งตรงกับสันสกฤตว่าทักสินาตามความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ์มาถึงค่าตอบแทนการประกอบพิธีเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชายันมีกำหนดไว้ในพระเวท ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้เตียงต่างเครื่องนั่งนอนยวดยานธัญญาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเหล่าสาวสวยยุวานารีตลอดจนที่ดินหรือดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรยิ่งเป็นยันพิธีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดท้าศินาก็มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้นเช่นในพิธีอศวเมธพระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพย์สมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได้ หลอดจนานางสนมกำนันไนเป็นทัศนินาให้แก่ผู้ประกอบพธิธีทักิีไนหรือผู้ควรแก่ทัศนินาในที่นี้ก็คือพวกพราหมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นชนพวกเดียวที่ประกอบยันพิธีได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ได้ทรงสอนให้ล้มเลิกพิธีบูชายันทรงนำคำว่ายัน์ และทักคินามาใช้ในความหมายใหม่ยันกลายเป็นวิธีบำเพ็ญทานโดยไม่มีการเบียดเบียนคนและสัตว์ส่วนทักคินาหมายถึงสิ่งของที่ควรให้หรือของที่ควรสละเป็นทานหรือสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาอธถกะทาว่าของที่เขาให้โดยเชื่อกรรม และวิบากแห่งกรรมไม่ได้คำนึงว่าท่านผู้นี้จะได้ช่วยรักษาโรคให้แก่เราหรือจะได้ช่วยรับใช้เดินเรื่องให้เราเป็นต้นบางแห่งว่าของที่เขาเชื่อปโตรโลกแล้วพึงให้ทกคินามาถึงสิ่งของที่ควรให้หรือของที่ควรสละเป็นทานหรือสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธา ไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนอาจจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณความดีแต่ควรจะกล่าวว่าของบูชาคุณความดีมากกว่าและถ้ากินนานในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ของเพลิดเพลิงโอลานเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัยสี่อย่างเรียบๆง่ายๆพอเป็นเครื่องอาศัยที่จําเป็นของชีวิตเท่านั้น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 และได้ชื่อต่อไปว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเป็นที่งอกงามขึ้นและขะจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขนานับประการแก่ชาวโลกทั้งปวงแม้แต่ครูอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนให้อย่างคุ้มควรและฉะนไหนจะมอบเครื่องอาศัยดํารงชีวิตเพียงเล็กน้อย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 ยอมทามให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมายอันหนึ่งลักษณะการให้ทักขีนาก็ต่างจากการให้สิ่งตอบแทนหรือการให้ด้วยสเสน่หากันของชาวโลกกล่าวคือ ไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องส่วนตัวว่าท่านผู้นี้ได้ช่วยเหลือหรือได้ทำการนี้ให้แก่เราหรือว่าเราให้แล้วท่านผู้นี้จะได้ทำสิ่งนี้นี้ให้แก่เราแต่ให้ด้วยศรัทธาในหลักหรือพลังแห่งความดีงามตั้งจิตสำนึกว่าเราให้แก่ท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงหรือเราให้แก่ท่านผู้ดารงความดีของโลกไว อย่างไรก็ดีท้าคินยะบุคคลนั้นจะต้องเป็นทักคินยะที่แท้คือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามที่ทําให้เป็นทักคินยะบุคคลจริงดังที่จะกล่าวต่อไปผู้ใดไม่ได้เป็นทักคินายะแท้จริงท่านถือว่ายังไม่มีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะรับทักคินาของชาวโลกมาบริโภคเช่นภิกษุสามเณรแม้จะมีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีศีลและตั้งใจปฏิบัติธรรม แต่ตราบได้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่การที่ภิกษุสามเณร น, นั้นรับอาหารบินทบาทของชาวบ้านมาฉันท่านถือว่าเป็นการบริโภคอย่างเป็นนี่คือเป็นนี่ต่อชาวโลกควรจะเร่งปลดเปลื้องนี่เสียด้วยการใส่ใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุ ค, ความเป็นทักขินยะบุคคลตัวอย่างเช่นพระมหากัสปะเทระกล่าวว่า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 อย่างชีวิตให้เป็นไปให้มีสุขภาพเพื่นอหนุนแก่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฉันเพื่อโก้เก๋สนุกมัวเมาติดในรถเป็นต้นการบริโภคอย่างนี้เรียกว่าเป็นอินะบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นนี่แต่ถ้าบริโภคโดยพิจารณาไม่ชื่อว่าเป็นนี่เบากว่าในบาลีที่ว่า ราบได้ที่ยังเป็นผู้ทุชนยอมชื่อว่าบริโภคยังเป็นนี่พวกที่สามคือพระเสกขะหรือทักคินยะบุคคลเจ็ดจำพวกแรกในจำนวนทั้งหมดที่มีแปดที่จะกล่าวต่อไปเมื่อรับทักคินามาบริโภคการบริโภคของท่านเรียกว่าทายัชะบริโภคแลว่า บริโภคฐานทายาทหรือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในฐานะที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทกินยะบุคคลสูงสุดพวกที่สได้แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้พ้นจากความเป็นาธาตุแห่งตันหาแล้วเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่ของถวายอย่างแท้จริง มีสิทธิสมบูรณ์ในการรับและบริโภคทะกินาการบริโภคของพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่าสามิบริโภคคือบริโภคฐานเป็นเจ้าของตามที่ว่านี้สามารถสรุปได้ว่าการใช้คำว่าทะกินยเป็นการเน้นความหมายทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม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 อันเกิดจากการเจียดส่วนอุทิศบูชาธรรมมาถึงการฝึกหัดขัดกลาวกิเลสเช่นความโลภเป็นต้นและช่วยอุดหนุนการดำรงสืบทอดธรรมะของคนในสังคมใหญ่ในรูปที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นต้นโดยไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจำวันของเขาเป็นเหมือนฝูงพึ่งที่เที่ยวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรและน้าหวานจากนานาพันไม้มาทาน้าพึ่ง และสร้างรังของตนโดยไม่ทำดอกไม้ให้ชอกชำ้ำแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ให้เสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็ช่วยให้พืชพันธ์ต่างๆเจริญงอกงามขยายพันธุ์แร่หลายออกไปสมาชิกของชุมชนคือสังฆะหรือพระสงฆ์นี้อาศัยผู้อื่นทั่ ว, วไปเป็นอยู่จึงมีพันธะโดยธรรมและจึงเป็นอิสระ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 จะมีแต่สมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียวที่ถือว่าตนเป็นอยู่โดยอาศัยผู้อื่นด้วยทากินาเช่นบินธบาตโดยที่บินธบาตนั้นหาใช่เป็นการขอทานแต่อย่างใดไม่หลักการทางสังคมในเรื่องชุมชนอิสระที่เป็นส่วนผนวกอันจำเป็นสำหรับสังคมที่ดีงามอย่างนี้ยังไม่มีในลทัทธินิยมทางสังคมเศรษฐกิจ